ขอนอบน้อมพระทนัยขอาการหลวงพ่อทองศุขแล้วก็เพื่อนธรรมทุกท่านเจริญธรรมเมตชีแล้วก็ยาติธรรมทุกคนฟังธรรมกันเนาะหลวงพ่อในภาคที่ผู้ขอทองนะพวกเราก็อยู่ที่นี่กันก็ถือว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันครูบาอาจารย์นะอยู่หรือไม่อยู่นะ แต่หน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติธรรมนะจะอยู่คนเดียวก็ตามจะอยู่กับหมู่มิตรก็ตามจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามนะให้มีใจนะตั้งมั่นมีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคืออะไรนะคือการต้องกลับมาดูตัวเองนะกลับมาแก้ไขที่ตัวเองนะ ผูปรรนะ้ปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่ถูกต้องต้องดูตัวเองเป็นหลักนะเห็นคนอื่นดูคนอื่นเห็นความถูกเห็นความดีของคนอื่นเห็นความผิดเห็นความไม่ดีของคนอื่นนะไม่ใช่ไปส่งจิตออกนอกไปเพ่งโทษเขานะไปหลงชื่นชมเขานะอย่าเอาคนอื่นอย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นเป็นอารมณ์เป็นวัตถุ ทำให้เกิดความเศร้า ห, หมองภายในจิตใจทำให้เกิดความสุขภายในจิตใจนะต้องกลับมาดูตัวเองเป็นหลักนะกลับมาเห็นจิตใจของตัวเองเป็นหลักจิตใจของเราวันไหวนะไปกับสิ่งภายนอกหรือเปล่านะต้องกลับมารู้ทันตัวเองเนี่ยถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับเองให้ถูกนะเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ถูกเช่นกัน แต่เราจะกลับมาเรียนรู้กายและใจของเราเนี่ยแหละเป็นหลักนะคาพูดการกระทำของคนอื่นนะมันสะท้อนกลับมาดูใจของเรานะดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะโดนโรกกระทำสอบนะสอบผ่านหรือเปล่านะต้องกลับมาดูใจของเราการปฏิบททัตนะิธรรมนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องกลับมาดูที่ตัวเองเป็นหลักนะแทบจะลอยทั้งร้อยเลยกลับมาเห็นตัวเองนะ รู้สึกอย่างไรกำเห็นตัวเองกาลังทำอะไรนะต้องกลับมาดูตรงนี้นะการปฏิบัติธรรมเราถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าไม่ติดขัดไม่คล่องแวะนะแต่ถ้าเราไปติดนะทำไมคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นนะคนนั้นทําถูกคนนี้ทําผิดคนนี้ทำดีคนนี้ทำไม่ดีนะมันติดมันคล่องแวะไปหมดนะมันจะคล่องแวะที่ไหนก็ใจเราแหละไม่ยอมปล่อยวางนะเอาถูกเอาผิด เอาเหตุเอาผลนะเอาหลักเอาการนะเอาความถูกต้องเอาความไม่ถูกต้องถ้าเราเอาพวกนี้นะมันเป็นเรียกว่าเป็นภาระเป็นภาระที่ไหนเป็นภาระที่ใจนี่แหละเพราะว่าใจมันไม่ยอมปล่อยวางใจมันจะมันแต่คอยจะยึดมั่นนะยึดมั่นนะในสิ่งภายนอกหลายคนก็สละสิ่งภายนอกมาเพื่อออกบวชนะ แต่บางทีเราก็ไปยึดมั่นสิ่งภายในนะยึดมั่นความดียึดมั่นความถูกยึดมั่นความผิดนะยึดมั่นอดีตหรือบางทีก็ไปยึดมั่นในอนาคตนะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความทุกข์สังเกตดูก็ได้ความทุกข์มันเกิดจากอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่น จะยึดอะไรไว้ก็ตามนะมันหนักมันแบกนะแต่ว่าอย่างสมมติถ้าเราเห็นว่านุ่นมันเบานะไปแบกนุ่นนะไปถือนุ่นไว้มันก็เป็นภาระมือมันก็ไม่ว่างอย่างไฟฉายนะเราเห็นว่ามันเบาเราไปหยิบไปจับไว้เราหยิบไฟฉายถือไปฉายไว้มือก็ไม่ว่างลนะ จิตที่ไปฉวยอารมณ์อะไรไว้ก็ดีจะหนักจะเบาขนาดไหนนะจิตมันก็ไม่ว่างดังนั้นจิตที่ว่างไม่ใช่ทาให้มันว่างแบบไม่มีอะไรแต่คอให้รู้ทันเวลาจิตมันไปหยิบไปฉวยอารมณ์อะไรไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะอันนี้รูปของเราอันนี้เพื่อนของเราอันนี้อารมณ์สุขของเรา อันนี้อารมณ์ทุกข์ของเราอันนี้อารมณ์อดีตของเราอันนี้อารมณ์อนาคตของเราหรือหยิบฉวยอารมณ์ในปัจจุบัน่าเป็นของเราเมื่อไหร่ที่มีตัวเราเมื่อไร่ที่มีของเรานะเมื่อนั้นแหละมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นภพกลายเป็นชาตินะกลายเป็นทุกขนะ์นี่มันเป็นลาดับลานาของมัน เราฝึกนะเราฝึกเนะียฝึกให้รู้ทันรู้ทันอารมณ์นะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ให้เห็นว่าที่จริงทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะอารมณ์ไหนก็ตามจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดหรอกมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นจะหยิบอะไรไว้ก็ไม่สามารถหยิบอะไรได้ จะถืออะไรไว้ก็ไม่สามารถถืออะไรได้แน่นอนถือไว้แล้วนะมันก็ต้องหายไปนะเหมือนกับเราพยายามที่จะคว้าจับลมนะมันไม่สามารถจับได้จริงเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงอารมณ์อาการที่เกิดขึ้นนะก็ไม่สามารถคว้าจับไดนะ้เช่นเดียวกันเมื่ อ, อไใดที่คิดจะคว้าจับเมื่อใ่ที่คิดจะให้มันอยู่นานๆเมื่อนั้นแหละคนที่ทุกข์ ก็คือตัวเราเนี่ยแหละทุกกลับมาเห็นตัวนี้อันนั้นการปฏิบัติทางกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองกลับมาแก้ไขตัวเองนะคนอื่นจะเป็นอย่างไรนะช่างหัวเขาไปก่อนนะช่างหัวเขานะอย่าไปเอาใจไปแบกรับภาระของเขานะเอาตัวเองเป็นหลักนะแต่การที่เรียกว่ากลับมาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองนะ มันเป็นการที่ช่วยคนอื่นเขาด้วยเพราะอะไรเช่นความโกรธ ถ, ถ้าเกิดขึ้นในใจนะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็กลายเป็นผู้โกรธนะพอเป็นผู้โกรธมันก็ไม่เก็บเป็นแพท่ผู้โกรธบางทีก็กลายเป็นผู้ไปดาเขากลายเป็นผู้ไปทาลายเขาเห็นไหมถ้าเราไม่กลับมาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองมันก็สะท้อนกลับไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นด้วยแต่ถ้าเรากลับมาดูตัวเองออเห็น เห็นความคุณคืองเกิดขึ้นในจิตใจพอรู้ทันความคุณคืองก็ถูกละงับถูกดับไปนะความคุณคืงก็ไม่พัฒนากลายเป็นความโกรธก็ดับไปก็ว่างไปนะ่ะมันก็เป็นผลดีทั้งกับใจใจที่ไม่โดนความความโกรธความขุเคืงมันเผาไหม้ใจทั้งที่ไม่ไปทำร้ายทางวาจาทางกับพูดกับคนอื่นต่ออันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้น ทังกับชีวิตของตัวเราเองแล้วก็กับชีวิตของผู้อื่นด้วยนะีถ้าเรากลับมาดูตัวเองนะโอ้มันจะเรียบร้อยงดงามมากสังคมนี้นะนะเพราะว่าถ้าแต่ละคนกลับมาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองนะมันจะนะเรียกว่ามันจะเรียบร้อยสวยงามไปของมันเองถ้าแต่ละคนพยายามทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้ มาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองเนี่แหละดูให้เห็นตัวเองให้มันชัดนะดูกายดูใจเนี่แหละนะเบื้องต้นเราดูกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่จะให้ใจมันอยู่กับกายไม่ให้ใจมันไม่ไปวิ่งไปไหนไม่ใช่แบบนั้นดูกายเพื่อให้เห็นเออกายมันไม่เที่ยงกายมันเป็นทุกข์กายมันบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรนอ้อดูให้เห็นตรง น, นี้นะ ดูให้เห็นไม่ใช่คิดเห็นนะคิดเห็นนะฟังเข้าใจมันเป็นเรื่องหนึ่งนะมันเป็นวัญญาในระดับรอกนะแต่การดูให้เห็นจริงๆนะก็อาศัยการฟังอาศัยการคิดเป็นตัวนำก็ได้อยู่นะไว้ไว้เป็นพื้นฐานแต่ให้ดูให้เห็นว่าอ้อกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงแบบนี้นี่เองเนาะมันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพวะ ต่างๆในสภาว่าเดิมก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความเป็นธาตุเนี่ที่เราได้พิจรารณาอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องใช้หรือว่ายาต่างๆมันจะดีขนาดไหนพอมาถูกต้องกับกายอันเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดนี้แล้วเนาะมันก็กลายเป็นของน่าเกลียดเหมือนกันอาหารนะจะกินจานแล้ว 1บาท20บา ท, บาทหรือจานละร้อจานละพันก็ถ่ายมาเป็นมูดเป็นคูดนะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรดีกว่ากันเลยของภายนอกจะประดับตกแต่งสวยงามขนาดไหนหรือไม่ประดับเป็นของธรรมชาติขนาดไหนเข้ามาถูกกับกายแล้วก็กายเป็นของน่าเกียดเช่นเดียวกันเพราะที่จริงตัวกายไม่เป็นของสกปรกเป็นของที่ไม่ควรยึดนะเป็นธรรมดา มีแต่หนังหุ้มมีแต่เสื้อผ้าหุ้มเท่านั้นที่มันทำให้พอดูดีถ้าปัจจากเสื้อผ้าปาสัก จ, จากหนังที่หุ้มแล้วมันเท่าเท่ากันหมดแหละนะมันเท่าเท่ากันเหมือนอย่างวันนั้นนะคุณหมอคงศักบอกคนเรากบเก้าเากาเซนนี่เหมือนกันมันแตกต่างกันภายนอกนะแค่ผิวหนังนะแค่โครงสร้างนิดหน่อย แต่ DNA ภายในนี่เหมือนกัน 99.99% 99. 99เลยคือภายในมันเหมือนกันหมดเลยนะนะเอานี้เอารูปเรื่องของกายก่อนนะมีตับไตไ้พุงมีเลือดมีเอ็นมีกระดูกถ้าเถ้าเฉือนฟิวหนังออกมาก็จะเห็นว่ามันมีอะไรสวยงามน้อ น, นะแต่คนเราก็ไปหลงน่ะประดับตกแต่งไปดังไปหลงบำรุงบำรเลือ กายนี้อยากให้มันสวยอยากให้มันงามอยากให้มันหออยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้นะกลับมาดูให้เห็นนะ่โอ้สภาวะของกายเป็นแบบนี้บังคับบัญชามันไม่ได้นะทำได้เพียงหน้าที่ดูแลรักษาบำบัดบรรเทามันก็แค่นั้นเนะี่ยเราดูกายให้เห็นตอนนี้ไม่ใช่เห็นแค่การเคลื่อนการไหวการหยุดการนิ่งนะเห็นตรง น, นั้นเป็นเบื้องต้นเฉยเ แต่ตอนนั้นมันไม่ยังไม่เป็นปัญญาหรอกนะแต่เป็นเบื้องต้นที่สําคัญเห็นการเคลื่อนเห็นการไว้เห็นการกระทบเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นการหยุดเห็นการนิ่งเห็นการร้อนเห็นการเย็นเห็นความปวดเห็นความเมื่อยเห็นเพื่อให้จิตมาสรุปว่าอ้อธรรมชาติของกายมันเป็นแบบนี้นเองธรรมชาติของรูปนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่มีใครบังคับมันชามเข้าได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเขานะ เราว่ากายของเราแต่เราก็บงังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้คนอื่นก็บงังคับกายนี้ไม่ได้ ต, ตัวเราเองก็บังคับกายนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันกายนี้รูปนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะถ้าเมื่อไหร่ลงไปยึดว่าเป็นเจ้าของเมื่อนั้นไอ้ตัวที่ทุกคนแรกคือตัวเราเนี่ยแหละถ้าคนอื่นมายึดว่าเราเป็นเจ้าเราเป็นของของเขาเขาก็มาทุกเช่นเดียวกันแหละ เพราะถ้าเรามีปัญญากลับมาเห็นไม่แต่กายของตั ว, ตวเราเองยังยึดไม่ได้จะไปยึดกายคนอื่นว่าเป็นสารณะมันได้ที่ไหนมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยปัญญามันจะกลับมาเห็นตรงนี้หรือแม้แต่จิตใจก็เช่นเดียวกันโอ้จะกลับมาเห็นเลยเราดูกายนะมันจะมีจุดหมายเบื้องต้นอีกอย่างก็คือกลับมาเห็นจิตถ้าเราดูกายแล้วแน่นอนจิตมันไม่สามารถรีรับหนีซ่อนไปที่ไหนนะ ดูกายก็คือทําให้จิตมันตั้งมั่นมากขึ้นไม่วอกแวกสงสัยไปที่ไหนสงสัยไปแล้วก็กลับมาดูได้นะมาค้นมาคว้าอยู่ภายในกายในใจนี้มันจะเห็นจิตเลยไม่ต่ยกมือเคลื่อนไหวไม่จะเดินจงกรมไม่จะตั้งใจทําอะไรมันก็ไม่สามารถตั้งใจทําได้อย่างแท้จริงจิตก็วอกแวกไปเอาง่ายๆอย่างเช่นบทสวดสวดมนต์เนี่ยทำวัดเช้าทําวัดเย็นนะไม่ๆ ตอนที่ยังสวดไม่ค่อยได้ก็ตั้งใจอยู่กับการอา่านอ่านไปแต่บางทีก็เผลอลืมอ่านผิดอ่านถูกจังหวะยังไม่ได้ก็มีหรือบางทีใจก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นคิดทาะคิดสนุกกับมันก็มีหรือพอสวดวนข้องไม่ต้องดูหนังสือคราวนี้แหละโอ้ปากสวดใจก็คิดได้นะ มันเก่งมากเลยนะแต่จริงเก่งผิดทางนะปากสวดข้องนะพูดเป็นนกแก้วนกคุณทองนะติถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ใจบางทีไปคิดถึงอะไรไม่ใช่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปคิดถึงนะเรื่องม่ดีเรื่องม่งามเรื่องนอกตัวออกไปใช่ไหมเห็นแล้วโอ้ที่จริงกายกับใจบางทีมันก็แยกกันอยู่แบบนี้นี่เองกายทาอะไร ใจไม่ค่อยรู้นะทำไปนะแต่ใจต่องรอยไปเรื่อยนะี่เรากลับมาเห็นว่าเรากลับมาเห็นนะมันจะกลับมาเลยอ้ออย่างเช่นสวดมนต์ไปนะพูดถึงนามาตระอยู่นะใจล่องรอยออกไปพอมีสติรู้ทัน อ, อ๋อมันกลับมาหานมโมอีกครั้งหนึ่งนะีแผ่เมตตาออกไปปากบอกว่าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ใจไปคิดถึงคนที่ นะมาว่าเรานะโอ้จิตไม่มีเมตตาแผ่เมตตาออกไปมันจะแผ่เลยออกไปนะมันแผ่ไม่ได้นะมันแผ่แต่ความร้อนนะความทุกข์ออกไปจิตข้างในต้องมีเมตตามีความสุขมีความสงบถึงจะแผ่ออกไปได้นะเราก็กลับมาดูตัวเองออแต่การกลับมาดูตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะบังคับให้มันดีอย่างเดียวจะบังคับให้มันปกติอย่างเดียวมันบังคับไม่ได้ แต่พอมีสติกลับมาเห็นเห็นใจเนี่ยอ้อใจจะวอกแวกไปทางไหนใจจะไปสุขไปทุกข์ไปดีไปไม่ดีเมื่ อ, อไรถ้ามีสติรู้ทันมันจะกลับมาของมันเองนะอนุภาพของการมีสติมันมีอันนิสง ม, มากเมื่อเรามีสติรู้ทันความผิดปกติของจิตจิตมันจะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะกลับมาโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็ น, นกลไกของธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะว่าใจเราอยากให้ปกติถ้าใจอยากให้ปกตินี่ก็ยังเป็นความผิดอยู่เช่นเดียวกันเพราะอะไรเมื่อเพราะว่ามีความอยากเมื่อไหร่นะอยากในทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเอาหรือไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเอามีความอยากเมื่อไหร่นะสังเกตเลยจิตใจมันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะอะไร ทุกว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างที่อยากนั่นแหละนะมันทุกข์เพราะตรงนี้ไม่ต้องรอว่ามันสมหวังหรือว่ามันผิดหวังแต่มันดิ้นรนตั้งแต่ตอนที่มันอยากแล้วแหละเราคอยมาสังเกตใจตัวนี้นะดูแต่ดูความอยากไม่สามารถดูตรงๆได้ต้องดูใจที่มันทุกนะดูกายที่มันทุกเนี่ยเราจะย้อนกลับมาเห็นความอยากของมันเองนะความอยากมันเป็นสาเหตุนะสาเหตุของถ้าทําให้เกิดเป็นความทุกข์ เมื่อเราเห็นทุกข์มันจะย้อนกลับมาเห็นมารู้มาละสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ของมันเองนะเนี่ยราค่อยกลับมาดูสภาวะอาการที่เกิดขึ้นไปในจิตจิตจะเป็นอย่างไรรู้เฉยเนยะรู้แบบเป็นกลางรู้แบบตั้งมั่นรู้ว่ามันเกิดมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับจิตแต่มันไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นอาการชั่วคราวที่เข้ามาในจิตนี้ดูนะอ้อความโกรธ ความทุกข์ความหลงความโลภความรักความชังเข้ามาเยือนจิตชั่วคราวนะเหมือนอย่างวัดป่าสุกโตนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะไม่ว่าหลวงพ่อไม่ว่าพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระอาจารย์ไปรสาไม่ว่าอาตมาไม่ว่าใครก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดแห่งนี้นะสุดท้ายพอถึงอายุดับขันไปก็ตายไปหรือบางที อาจจะอยู่ไม่ครบอายุดับขันก็อาจจะจากไปแล้วนะไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของสาราหลังนี้วัดแห่งนี้นะเพราะอะไรเพราะจริงแท้ไม่แต่ตัวร่างกายของเขาเองจิตใจของเขาเองก็ยังไม่มีไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของได้มันจะกลับมาเห็นอ้อที่จริงไม่มีอะไรยึดไว้ได้นะทั้งภายนอกและภายในแต่สิ่งที่เราสามารถเอามาเป็นที่พึ่งนะ เพื่อให้จิตมันมีความสงบมีความสุขมีความรู้ก็คืออะไรก็คือธรรมะเนี่ยแหละเอามาเป็นที่พึ่งไว้ก่อนนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งพึ่งสตินะพึ่งปัญญานะกลับมามีสติมาเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้เห็นนะเห็นแล้วก็เฉยนะจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นมันจะมีอุเบกขาจิตนะอุเบกขาคือ ที่เรียกว่าวางเฉยกับอารมณ์นะเมื่อเกิดการวางเฉยอารมณ์เกิดขึ้นใ น, ในจิตอาการเกิดขึ้นกับกายจิตมันมีความวางเฉยเป็นอุเบกขาจิตมันเป็นกลางมันรู้มันดูมันเห็นเฉยเมื่อมันเห็นเฉยนะมันก็ตกไปเหมือนมีคนจะเอาอะไรมาใส่มือเร า, าถ้าเราไม่ไปจับไปถือไว้แค่พลิกมือ สิ่งนั้นมันก็ตกไปนะเมื่อเราเห็นเฉยเฉยมันจะไม่ไปจับไม่ไปสวยอาจจะมีการกระทบนะเช่นตาเห็นรูปนะมันกระทบเฉยเฉยถ้าเราไม่ไปไ ป, ปรุงต่อว่าออรูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยรูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีรูปนี้อยากยึดไว้รูปนี้ไม่อยากยึดไว้ไม่ไปปรุงต่อไม่ไปยึดไว้เนี่ยมันก็เฉยเฉยมันก็ดับไป มันก็ดับไปที่จริงความเป็นปกติความเป็นเฉยเฉยของจิตของเรามันก็มีอยู่แล้วสังเกตดูก็ได้นะอะไรสิ่งอะไรอย่างเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับคนอื่นไปกับสิ่งอื่นเท่าไหร่แต่บางทีก็ต้องกลับมาดูตัวเองนะบางทีตัวของเราเองเนี่ยมันไปยึดไปฉวยอะไรบางอย่างเหนียวแน่นนะบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยเหนียวแน่นหรอกนะหรือว่าไม่ยึดไม่ถือเลยก็ได้เรื่องคนอื่นจะทุกข์บางทีเราก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ แต่ถ้าเรื่องของลูกของเราทุกเรื่องของญาติของเราเนี่ยเราก็ทุกถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ยิ่งทุกข์หนักไปใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเนื่องด้วยความเป็นยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเนี่แหละนะว่าเป็นของของเราเนี่แลหละเลยให้เกิดทุกข์นะการที่จะรู้ทันตัวนี้การที่จะปล่อยวางตัวนี้นะถ้ามีสติรู้ทันอย่างมากๆนะความเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนะมันเกิดจากอะไร เกิดจากความผูกพันนะความผูกพันมันอยู่ที่ไหนก็ใจเรานี่แหละเหมือนกับเชือกนะอ่ามันภาษาไทยนี่ดีนะทั้งผูกทั้งพันนะมันไม่มันแก้ได้ไหมถามว่าความผูกพันสามารถแก้ได้ไหมแก้ได้นะอืมไม่ใช่ว่าผูกพันแล้วจะต้องผูกพันตลอดไปผูกพันแล้วจะต้องทุกตลอดไปไม่ใช่นะถ้าไปคิดแบบนั้นนะ มันเรียกว่าปิดประตูตายนะปิดประตูตายเลยเหมือนกับล็อกกุญแจแล้วก็กุญแจหายหรือว่าบางทีคิดว่าไม่มีกุญแจที่จะแก้ไขไม่ใช่นะกุญแจจะหายก็ตัดได้นะก็เลื่อยได้ก็ทุบ ป, ประตูทิ้งมันก็ยังได้จะ่ไปคิดว่าพอผูกพันกับอะไรไว้แล้วท่นหมดสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระแล้วนะไม่ใช่ได้ไปคิดแบบนั้น มันเรียกว่ามันมีแต่ทุกข์ตลอดไปเราองคิดว่าความผูกพันนี้นะมันเป็นความผูกพันที่จิตมันไปผูกของมันเองนะไม่ใช่เราผูกนะมันจิตมันไปผูกของมันเองอันนั้นถ้าเห็นว่าอ้อที่จริงความผูกพันความสัมพันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานตัวตนของเราเองก็ดีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของคนอื่นก็ดีนะถ้ากลับมาเห็นนะมันจะคลายความผูกพันไปเลย หรือถ้ามีสติมีปัญญาเห็นจริงที่จริงความผูกพันที่เราว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเราเป็นรูปของเราเป็นคนของเราเป็นของของเรามันเกิดขึ้นชั่วคราวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนีไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยไม่แต่ความยึดมั่นถือมั่นมันก็เปลี่ยนสลับไปยึดอย่างนั้นไปปล่อยอย่างนี้นะยึดแล้วก็ปล่อยยึดแล้วก็วางไม่ได้ยึดไว้ตลอดหรอกนะธรรมชาติของคนไม่สามารถยึดอะไรไว้ได้ตลอดหรอก ถ้ายึดได้ตลอดนะมันก็ทุกมันก็แบกตลอดหรอกนะที่เราอยู่ได้ที่เราไม่ทุกข์ที่เราไม่บ้าเพราะว่าเราไม่ได้แบกเราไม่ได้ยึดดอกธรรมชาติมันปล่อยมันวางของมันธรรมชาติมันไม่สามารถยึดได้ถือถือมั่นได้ของมันเองกลับมาเห็นเนี่ยอ้อเห็นปัญญาเห็นความจริงตรวนี้นะจิตก็จะดูว่าอ้อที่จริงนะอะไรมันก็เป็นแค่ของที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทั้งนั้นน่ะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้น่ะ กลับมามาเห็นตอนนี้แล้วก็แต่สิ่งบางอย่างที่มันยึดมั่นผูกพันมากเราก็ต้องกลับมาเรียนรู้มาดูให้มันมากดูให้มันชัดมากขึ้นออวันนี้ตอนนี้มันทุกข์เพราะเรื่องของลูกวันนี้อ่าตอนนี้มันทุกข์เพราะเรื่องของกายหรือว่าวันนี้ตอนนี้มันทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้กลับมาดูอ้อแล้วก็มาแก้ไขวันนี้ยังแก้ทุกข์เรื่องนี้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไร แต่ตั้งใจว่าต่อไปจะแก้ให้มันได้นะจะค่อยๆแก้ไขตั้งใจแต่ไม่ใช่เป็นทุกข์ใจนะให้ตั้งใจว่าจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะไม่ใช่ว่าไปตั้งใจแก้ไขว่าจะต้องให้คนอื่นเป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่ใช่กลับมาแก้ที่ตัวเองแก้แบบไหนแก้ที่การวางใจวางใจแบบไหนถึงจะไม่ทุกข์นะวางใจแบบไหนเนะ่ยเราก็ต้องดูตัวเองอ๋อ การวางใจแบบไหนที่ไม่ทุกข์อ๋อก็เพียงแค่รู้ทันใจเฉยๆนี่แหละเมื่อรู้ทันใจใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมันก็ทําอะไรกับใจนี้ไม่ได้เนาะอ๋อมันก็ไม่ทุกข์ของมันที่จริงเงื่อนไขของความไม่ทุกข์แค่รู้เฉยๆแค่รู้แล้วไม่ไปยึดไว้อ๋อแค่นี้ก็ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยการมีสติจะกลับมาเห็นตันนี้นะเกิดปัญญาอ๋อเข้าใจแล้วว่ากลไกของธรรมชาติ กลไกของความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไกลไกของความไม่ทุกข์หรือว่าการดับทุกข์มันทําได้อย่างไรมันกลับมาเห็ น, นกลไกนี้เกิดความมั่นใจว่าอ้อมันทําได้เนาะไม่ใช่ว่าเราทําได้แต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันทําได้ของมันนะกลับมาดูกลับมาเห็นกลับมาเรียนรู้กลไกของธรรมชาตินี่แหละนะที่จริงคําว่าธรรมะก็เรียกว่าเป็นกระบวนการของธรรมชาติอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะ ความหมายของมันธรรมะคือการกลับมารู้จักนะธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนรู้ให้ทั้งจักรวาล น, นี้ทั้งโลกใบนี้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมกันเข้ามาเป็นแบบสมมุติเป็นแบบจำลอง ท, ที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละเป็นแบบจาลองของเรียกว่าของ โลกทั้งโลกของจักรวาลทั้งจักรวาลก็ว่าได้แค่เรากลับมาศึกษาตัวเองให้ท่องแท้ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งมันเข้าใจโลกทั้งโลกเข้าใจทั้งจักรวาลเข้าใจทุกผู้คนได้เช่นเดียวกันเพราะนะแต่ลุผู้คนก็มีมีกายมีใจนะเช่นเดียวกับเราเนี่แหละนะทำแบบไหนเขาสุขทําแบบไหนเขาทุกข์มันก็รู้รู้จากตัวเราเองนะอ๋อเนี่ยแหละ มาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองให้มากๆถึงจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะถึงจะคุ้มค่ากับการที่เราได้มาอยู่วัดได้ฝึกหัดนะแต่การปฏิบัติธรรมก็คือเนี่ยจะทําทอะไรก็ได้แต่จะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะอนุโมรนานะที่ได้มีเวลาได้ปฏิบัติในรูปแบบหรือบางทีบางคนต้เกี่ยวข้องกับการงานก็ดีนะก็ใส่การงานนั่นแหละเป็นตัวฝึกหัดนะ ยิ่งการงานนะจะหนักจะเหนื่อยจะเครียดขนาดไหนยิ่งต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะอย่าเอาความเหนื่อยอย่าเอาความเครียดมาเป็นข้ออ้างว่าอู้กลายมันเหนื่อยทำให้ใจมันอ่าหงุดหงิดอะไรไปได้ง่ายนะอย่าเอาตัว น, นั้นเป็นข้ออ้างนะดูมันอ้อกลายมันเหนื่อยมันส่งผลให้ใจมันทุกข์ให้มาใจมันเรียกว่าเกิดอารมณ์ปะทุอะไรมากขึ้นอ่ะก็ดูมันไป แต่อย่าเอาเป็นข้ออ้างนะเอาให้รู้ว่าอ๋อธรรมชาติเป็นแบบนี้หรือบางคนอย่างเช่นผู้หญิงนะในบางขณะจะมีรอบเดือนนะร่างกายมันเรียกว่ามันผิดปกติไปจิตใจก็พลอยผิดปกติตามไปด้วยก็อย่ า, อามาเป็นข้ออ้างว่าอ๋อช่วงนี้มันเป็นช่วงพีค ข, ของเรานะอารมณ์จะเสียอะไรไบ้างนะก็มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างว่า ฉันจะต้องอารณ์เสียตามมันนะพอกายมันทุกข์พอกายมันไม่สบายจะเอาเป็นข้ออ้างว่าทําให้จิตใจมันต้องไม่สบายตาม อ, อย่าเอาเป็นข้ออ้างแบบนั้นแต่ให้รู้ว่าอ้อมันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นแต่ที่จริงถ้ามีสติรู้ทันมันก็สามารถอยู่เหนืออยู่พ้นจากความทุกข์ของกายได้จิตใจเป็นอิสระจากกันและกันได้เนี่ยกลับมาเห็นตัวนี้นะเป็นเรื่องของเรียกว่าคนทุกคนนะสามารถฝึกหัด ฝึกหัดได้ถ้าเราฝึกหัดตัวเองอฝึกหัดตัวเองได้ดีนะมันก็จะมีพัฒนาการให้เห็นว่าอความทุกข์เนาะมันก็น้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นครอบอบข้องในจิตในใจในกายนี้ก็เรียกว่าแก้ไขไปได้เยอะขึ้นนะเคยกินอาหารตามใจนะตามใจนะก็กินอาหารอย่างรู้ทันใจ เคยกินไปคิดไปก็รู้ทันว่าเออมันเผลอคิดไปแล้วน ะ, ะทำอะไรตามความชอบทำอะไรตามความชังก็มีสติรู้ทันว่าอ๋ออันนี้เนาะมันชอบอันนี้เนาะมันชังไม่ทำตามความชอบไม่ทำความตามความชังแต่ทำตามความสมควรตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องแก้ไขอ๋อมันก็จะมีสติปัญญายับยั้งชั่งใจตัวนี้ได้ อันนี้แหละถึงจะเป็นการพิจารณาการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนะการมีปัจเบกนะพิจารณ า, าปัจจัย4พิจารณาปัจจัยต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องมันปัจเบกที่ตรงนี้นะไม่ใช่ปัจเบกที่ภายนอกที่คําพูดแต่มันปัจเบกที่ภายในใจแหละมันสัมพันธ์แบบไหนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์แบบไหนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนะี่ยมันจะรู้ทันจะเห็นในว่าอ๋อพัฒ น, นาการภายในใจ มันมีความไม่ทุกข์เป็นจุดหมายได้จริงจริงมันเป็นมีความไม่ทุกข์เป็นรางวัลทีส่สามารถสัมผัสได้จริงจริงความไม่ทุกข์นะไม่ต้องไปรออนาคตนะไม่ต้องไปรอถึงมรรคผลนิพพานที่จริงมรรคผลนิพพานมันปรากฏนะต่อหน้าเราอยู่ทุกขณะพอเรารู้ทันกายหรือทันใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้จิตที่เป็นกลางด้วยจิตที่มีสติมีปัญญา เมื่อนั้นความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะความไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันนะรู้ทันการยึดมั่นถือมั่นนะมันก็วางการยึดมั่นถือมั่นมันก็วางได้มันก็เบามันก็ไม่ทุกข์แล้วของมันเนี่ยต้องมีสติรู้ทันแบบนี้เนาะเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมของเราก็จะเป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์นะเป็นไปเพื่อเรียกว่าความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนะ ไม่ใช่สงบจากการที่ไม่มีคนมาเกี่ยวข้องสงบจากการที่ไม่มีการงานมาเกี่ยวข้องไม่ใช่สงบแบบนั้นนะสงบแบบนั้นนะออมันไม่ใช่สงบของจริงนะเป็นสงบแบบที่ว่าหนีออกไปแต่ที่จริงมันหนีบุคคลอื่นหนีสิ่งอื่นได้แต่มันหนีจิตของตัวเองไม่ได้หรอกจะหนีไปขนาดไหนจิตมันก็ไม่สงบหรอกนะเพราะว่าอะไรมันมีความอยากอยากจะให้มันสงบ อยากจะไม่เจอผู้คนอยากไม่เจออารมณ์มันไม่สามารถสงบได้เพราะมีมความอยากนะสงบต้องสงบจากกิเลสนะกิเลสคืออะไรนะเอาง่ายงาคือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละถ้าเรารู้ทันกิเลสนะมันก็จะสามารถสงบจากกิเลสได้นะอันนี้ต้องฝึกตรงนี้แม้บางคราวไม่สามารถสงบได้ตลอดไปแต่ขอรู้ทันกายและใจบ่อยๆมันจะเกิดความสงบเกิดความระงับ นะเกิดความระนะเกิดความวางได้บ่อยขนาดนั้นดังนั้ น, น, นการที่เรามาฝึกหัดสตินะไม่ใช่ฝึกหัดเพื่อให้เรียกว่ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดนะจะมีอารมณ์มีความคิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแค่ศึกษาแค่รู้ทันมันไปนะสติมันจะเข้าไปแทรกแทรกความคิดแทรกอารมณ์นะเมื่อคนเข้าไปแทรกเมื่อไหร่ เมื่อนันมันก็เรีกว่ามันก็จะวางมันก็จะว่างได้นะช่วงขนาดนิดเดียวก็ยังดีแต่สิ่งที่เราฝึกก็คือว่าเพื่อฝึกให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่จะทําให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวอาศัยการงานนี่แหละอ๋อตามรู้ว่าอารมณ์ในปัจจุบันตัวเนี้ยกายมันทําอะไรอยู่สติมันเกิดขึ้นแล้วมาเข้าไปแทรกแล้วมันเดินไปคิดไปพอกลับตัวพอหยุดปุ๊บพอสัมผัสปุ๊บ อ๋อมีสติรู้ทันสติเข้าไปแทรกความคิดสติเข้าไปแทรกความทุกข์สติเข้าไป แ, ไปแทรกความหลงมันก็เกิดความไม่ทุกข์ไม่หลงชั่วคราวนะพอสักพักอาจจะเพ้อไปใหม่อ่ะก็ไม่เป็นไรก็กลับมาแทรกใหม่บ่อยๆนะเราฝึกสติให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะไม่ใช่ให้เกิดขึ้นนานๆนะสติไม่สามารถเกิดขึ้นนานๆได้นะเพราะสติก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับจิตจิตมีการเกิดมีการดับ นะดังนั้นสติไม่สามารถเกิดขึ้นนานได้หรอกมีแต่ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยไหมเกิดขึ้นได้ถีไหมนะเกิดขึ้นแล้วเรียกว่ามันมีกําลังมากหรือเปล่าเนี้ยเราฝึกตรงนี้นะเมื่อเรามีสติมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยไปของมันเองเหมือนกับความสว่างนะเปิดไฟมากเท่าไหร่นะ้าเปิดไฟเต็มศาลาความสว่างมันก็เกิดขึ้นมากเท่านั้น นะแต่ถ้าเปิดไฟน้อยเท่าไหรนะ่ความมืดมันก็มากขึ้นไปเท่านั้นนะนั้นตัวรู้กับตัวหลงสติกับตัวอวิชชาตัวทุก์มันก็เลยเป็นสิ่งตรงข้ามกันแบบนี้เนาะให้พวกเราพยายามฝึกหัดกันนะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเอาเริ่มต้นให้ดีตั้งใจให้ถูกวางใจให้ถูกแล้วก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่นะ จะทำการงานอะไรก็แล้วแต่พยายามตั้งใจกลับมาดูกายดูใจของเราเองแล้วก็แก้ไขกายและใจของเราเนี่แหละเป็นหลักนะอย่าไปดูคนอื่นมากดูคนอื่นแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองกลับมาดูแล้วก็แก้ไขตัวเองเนาะโลกทั้งโลกนะนะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกผู้คนทั้งหมดไม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนที่ใจเราได้นะเปลี่ยนในการกลับมาดูทันแล้วก็กลับมาเห็นว่า อ๋อแท้จริงแล้วไม่แต่กายไม่แต่ใจก็ไม่ใช่ของเราหรอกนะเมื่อมันเห็นแบบนี้นะโอ้เกิดความว่างเกิดความวางเกิดความไม่ทุกข์เนาะนะก็คงพอสมควรเกเรดานะกาบพระพร้อมกัน